ภิสุนั้นจึงตกลงใจอย่างนี้ว่าความเพียรเราต้องทำไม่ย่อหย่อนสติต้องตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายต้องระ ง, งับไม่กระสับกระส่ายจิตต้องเป็นสมาธิแน่วแน่ดังนี้เธอทำโลกคือทำผู้อื่นเนี่ยนะเอาคนดีๆมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะนั่นแลให้เป็นอธิปไตย ละอกุศลบำเพ็ญกุศลละธรรมะที่มีโทษบำเพ็ญธรรมะที่ไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดได้นี่พิสูุนทั้งหลายเราเรียกว่าโลกาทิปไตยไม่ใช่ไปเอาคนพาณิฯนะเอาคนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธําเลยท่านนี่มันอัตตกิรมาฐานุโยคนะเขามีนะสมัยนี้ถ้าใครรักษาวินัยดีๆเขาบอกว่านี่อัตตกิรมาฐานุโยกนั้นคนคนบอดชี้ทางเนี่ยนะอย่าไปสนใจมากนะักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า ชาวโลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงบัณฑิตทั้งหลายเอาบัณฑิตเนี่ยนะเป็นหลักเพราะว่าคนพา น, นิชยเอาเป็นประมาณไม่ได้คนพาณถ้าทําถูกใจเขาเขาก็ชมใช่ไหมถ้าลองไม่ถูกใจดูสิเออฟังไม่ทันหรอก <c oughs> ทีนี้ถ้าธรรมมาธิปไตยนี่เป็นอย่างไร <c oughs> กล่าวว่าภิสูุนในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ก็เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตมิใช่เพื่อจีวรมิใช่เพื่อบินทบัตมิใช่เพื่อเสนาสนะเป็นเหตุมิใช่เพื่อความมีและความไม่มีอย่างนั้นที่แท้เราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่ําครวนความไม่สบายกายความเสียใจความขับแค้นใจครอบงามแล้วตกอยู่ในกองทุกมีความทุกท่วมทับแล้วคิดว่า ด้วยการบวชนี้ลางทีความธรรมที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้สวาก้าโตภะควาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้ปรารบพระธรรมได้ใช่ไหมสวาก้าโตภะควะตาธรรมโมพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองอากาลิโกนะถ้าบรรลุแล้วก็ให้ผลได้ไม่จํากัดการ เอหิปัสสิโกควรเรียกให้เขามาดูโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาถ้าอาริยมรรคอริยผลควรน้อมมาในจิตถ้านิพพานควรน้อมจิตเข้าไปฮะปัจจตังเวทิตัาโพวินยูอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนเพื่อนสัพพมจารีผู้รู้ผู้เห็นพระธรรมนั้นก็มีอยู่ใช่หมอ่า น, นะอาศัยปา ร, รบพบธรรมแบบนี้แหละนะ ว่าเออสวาขาตโตสันทิธิโกอกาลิโกเอฮิปสิโกโอปนันยิโกเนี่ยนะภาษาริบุตรท่านก็บรรลุท่านก็ทําให้แจ้งแล้วนะปะโมคขลานะภาคัสสะพระอานนท์นางวิสาขาเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็เข้าถึงโลกุตระธ ร, รรมเหล่านั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนสัพรมาจารีผู้มีศีลมีธรรมเขาเห็นพระธรรมนั้นมีอยู่นะก็เลเร า, ราบวชในพระธรรมวินัยนี้อันเป็นสวาขาตะย่างนี้แล้ว คือตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมาเกียรติคร้านประมาทเสียนั่นไม่สมควรแก่เราเลยโอ้ยได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่ช่วยรื้อคนสัตว์ศาตร์ให้พ้นจากวัตทุกข์บวชเข้ามาอย่างนี้มัวประมาทเกียรตคร้านประมาทนี่เป็นยังไงนะคําว่าประมาทนึกออกไหมก็บอกว่าคนที่ไม่ทําจิตให้เป็นกุศลนั่นแหละชื่อว่าประมาทหรือคนที่ทํากุศล ให้กุศ ล, ลจิตเกิดขยักขย่อนกุศลไม่ก้อยต่อเนื่องอย่างนี้แหละเรียกว่าประมาทปล่อยใจให้ยินดีในกรารมาคุณทั้ง5้าก็เรียกว่าประมาทอยนัเพราะฉะนั้นโอ้จะมาเกียรติคราญประมาทนั้นไม่สมควรแก่เราเลยภิษูนนั้นจึงตกลงใจอย่างนี้ว่าความเพียรเราต้องทำไม่ย่อย่อนสติต้องตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายต้องระ ง, งับไม่กระสับกระส่ายจิตต้องเป็นสมาธิแน่วแน่ดังนี้ เธอกระทำธรรมะคือโลกุตระธรรมนั่นแลให้เป็นอธิปไตยละอกุศลบำเพ็ญกุศลละธรรมะที่มีโทษบำเพ็ญธรรมะที่ไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดได้นี่พิสูจนทั้งหลายเราเรียกว่าธรรมาธิปไตยนะศีลที่เป็นธรรมาธิปไตยก็เป็นลักษณะนี้นะศีลที่เป็นอัตตาทิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาทิปไตยก็ปารภในลักษณะนี้แหละ นี่แหละพิสูจทั้งหลายอธิปไตยสฟองก็ตรัสเป็นคาถาว่าเชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสําหรับผู้ทำการบาปนะถ้าจะทำบาปเนี่ยนะในโลกนี้มีไหมที่ลับแนะบุรุษตัวของท่านย่อมรู้ว่าจริงหรือเปล่านะอย่างน้อยที่สุดคนทำนั่นแหละรู้จะรู้ว่าจริงไหมที่ทำนั่นะผู้เจริญท่านดูหมิ่นตัวเอง ซึ่งเป็นพยานอย่างดีเสียแล้วในเมื่อบาปมีอยู่ในตัวชะไหนท่านจะปิดซ่อนมันไม่ให้ตัวเองรู้ได้นะใครคิดไม่ดีตัวเองรู้หรือไม่รู้ก็หลอกตัวเองสิอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่าบาปในโลกนี้เมื่อทำแล้วจะไม่มีใครรู้อา้าวแล้วเราไม่ใช่คนเหรอหรือว่าไม่ใช่คนรู้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ก่อนแล้วก็เทวดาทั้งหลายตถาคตทั้งหลายนะนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะ พงบอกเลยนะเทวดาก็มองเห็นนะเพราะฉะนั้นพระเทวทัตคิดยังไงกําลังทําตัวยังไงเนี่ยนะเทวดามารายงานพระพุทธเจ้าทุกระยะพระเทวทัตกําลังจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่าพระเทวทัตกําลังจะเป็นยังไงเนี่ยพระเทวเทวดาก็ไปบอกพระโมคคัลลานะก็คิดดูนะพระพุทธเจ้านี้แท้เราจะไปสงไปสอนอาราธดาบทก่อนใช่ไหมเทวดามาแวบทันทีเลยโอ้ตายได้เจ็วันแม่พระเจ้าค่ะอ่นะ จะไปสอนอุทกกาดาบทตายเมื่อคืนนี่พระเจ้าค่ะนะพระพุทธเทวดามารายงานเบ็ดเสร็จหมดเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายก็รู้อยู่ตถาคตทั้งหลายก็เห็นอยู่ถ้าสมัยพุทธกาลนะปต ถ, ถาคตเจ้าเห็นอยู่ mm. ก็บอกว่าเทวดาและแตถาคตทั้งหลายย่อมเห็นคนเขาที่ประพฤติไม่สมควรอยู่ในโลกเพราะเหตุ น, นั้นแหละบุคคลควรประพฤติเป็นผู้มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็ควรที่มีสติเนี่ยนะให้รอบครอบในสิ่งที่กำลังทาอยู่ทําแล้วถูกต้องกับคำสอนข้อไหนขัดกับคำสอนอะไรบ้างเป็นผู้มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญารักษาตนมีความพินิจคือมีความเพ่งะนะเป็นผู้มีธรรมะเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมพระมุนีผู้บากบันจริงเนี่ยคือพระพุทธเจ้าผู้บากบันจริงเนี่ยนะย่อมไม่เสื่อม หรือว่ามุนีก็คือผู้ที่มีโมเนยธรรมมุนีเนี่ยคือผู้ที่มีโมเนยธรรมโมเนยธรรมทางกายโมเนยธรรมทางวาจาโมเนยธรรมทางใจเรียกว่ามุนีคำว่าไงามุนีผู้บากบั่นจริงย่อมไม่เสื่อมผู้ใดมีความเพียนกำราบมารลามกเสียได้ถึงธรรมะที่สิ้นชาติแล้วธรรมะที่ทําให้สิน้นปฏิสนธิจริงๆธรรมะนั้นคืออาสะวะไขจริงๆก็ต้อง ขยับแล้วว่าสิ้นอาสวะขจริงๆก็สิ้นอาสวะก็ต้องระดับอรหัตผลนั่นแหละนะธรรมะที่สิ้นชาติแล้วผู้เช่นนั้นเป็นมุนีรู้แจ้งโลกโลกาวิทูเลยคันนี้รู้แจ้งโลกรู้จักรู้แจ้งโลกงี้รู้ยังไงรู้ว่านี้โลกนี้โลกกัสมุทัยนี้โลกกับนิโรธแล้วก็นี้โลกะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาคาแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ชื่อว่าโลกวันโลกเนี่ยนะเป็นอย่างไรพระเจ้าค้าจึงชื่อวันโลก น, นะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่าโลกใช่ไหมคำว่าโลกแปลว่าอะไรสลายไปด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่าโลกอะไรชื่อว่าโลกผมบอกวนะ่าอาศัยจักสุกับรูปเกิดจากขวิญญาณความประชุมของธรรมะสามประการนี่แหละเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาหรือเสวยเวทนาทั้งที่เป็นสุขบ้างทุกบ้าง อาทุกขมสุขบ้างอย่างแหละชื่อว่าโลกนะเพราะฉะนั้นโลกเป็นที่เป็นไปในทวารทั้ง6เมื่อไร่นะจะมองเห็นโลกทวารทั้ง6แล้วก็โลกเออนี่โลกนะแล้วก็โลกสมุทยัยโลกก็นี่โรดแล้วก็โลกะนิโรทคามินีปฏิปทาก็จะชํำรกโลกก็จะพ้นโลกใช่ไหมเกิดในโลกแต่ก็ไม่ไม่ติดโลกไม่ติดโลกคือจักสุไม่ติดโลกคือ สีไม่ติดโลกคือจักขูวิญญาณไม่ติดโลกคือจักขูสัมผัสไม่ติดโลกคือเวทนาสามอย่างที่เกิดเพราะภาษาเป็นปัจจัยเนี่ยนะเมื่อไหร่นจะไม่ติดโลกแบบนั้นมีแต่เอ๊ะโลกนั้นก็หายโลกนี้ก็ไม่มีเงี้ย่เลยหาโลกตลอดมันผู้ใดแสวงหาโลกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากโลกคำว่าโลกเนี่ยนะถ้าใช้คาว่าโลกนี่ให้รู้ว่าตะกาศ ประกาศปริญญาข้อไหนถ้าใช้คําว่าโลกนี่ปริญญาไหนเป็นตรีรณะปริญญาถามว่าถ้าใช้คําว่าโลกนี่ชื่อว่าประกาศลักษณะสามัญลักษณะไหมถ้าใช้คําว่าโลกนี่ประกาศสามัญลักษณะไหมอนิจจาลักษณะทุคลักษณะและอนัตตลักษณะถ้าใช้คําว่าโลกนี้ลักษณะไหนในสามอย่างอนิจจาลักษณะนะเพราะโลกสลายไปใช่ไหมแตกคำลายไป เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าแตกทำลายหรือว่าโลกเนี่ยนะเท่ากับประกาศทุกคลักษณะอารมณมณะปัจจัยของตีรณะปริญญาแต่ที่จริงแล้วเขาบอกว่ารู้แจ้งโลกนะสูตรนี้นี่หมายถึงรู้จักโลก3นะรู้จักโลก3คือสังขารโลกสัตวโลกและภาชนะโลกอ่ภาชนะโลกหรือโอกาสโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้แจ้งโลกมีปัญญาดี ไม่มีความทะเยอทะยานในธรรมะทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจในธรรมะทั้งปวงอันนี้เป็นคาถาสรุปในอธิปไต ย, ยสูตรอันนะอธิบดีสามนะอธิปไนะตยสามของเรานี้มีอะไรเป็นอธิปไตยหรือว่าไม่มีสักอธิปไตยเลยอธิปไตยไหนนะอัตาตาธิปไตยเป็นบางขณะโลกาธิปไตยเป็นบางครั้งธรมมาธิปไตยเป็นบางช่วง อได้หมดเลยเนาะต่อไปติกะที่สามเลยนะติกะที่สามศีล น, นีจัดว่ามีสามอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นปรามัตถศีลเป็นต้นอย่างนี้คือศีลที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในทุกกะทั้งหลายว่านี่สิทธศีลอันใดศีล น, นั้นชื่อว่าปรามัถศีลคือเพราะเป็นศีลที่ตันหาและทิฏฐ ถือมั่น น, นะนะปราหมัทธศีลนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูหน้า39แล้วก็หน้า40นะจะเห็นปราหมัทศีลกับนิสิตศีล น, นี้อันเดียวกันหน้า39หน้า40ก็คือศีลใดที่อาศัยตัณหาเป็นเหตุให้รักษาศีลศีล น, นั้นแหละเครียกว่าตัณหาปรามทตัณหารูปคลัมนะนะปรามัทธานี้บางทีก็แปลว่ารูปคลัมหรือถือมั่นก็ได้ ตันหาเป็นเหตุให้รักษาศีลหรือว่าทิฏฐิเป็นเหตุให้รักษาศีลลักษณะนั้นแหละชื่อว่าปรามัทศีลคือศีลที่ตันหาและทิฏฐิถือมั่นยกตัวอย่างเช่นด้วยศีล น, นี้เราจะเป็นเทพหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งรักษาศีลเลยจะได้ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาไว้คิดอยู่แค่นั้นแหละนะจังงามอย่างเดียวว่างั้นจะเกิดนางฟ้าอย่างเดียวอคิดอยู่แค่นั้นแหละเรียกว่า ปรามัฏศีลหรือว่าบางคนเข้าใจว่าโอ้ยศีลแค่นี้รักษาไว้เถอะศีลแค่นี้ก็บริสุทธิ์แล้วนะนิพพานแน่นอนถ้าเอาศีลแค่นี้รักษาศีลอันนี้ไว้ได้ถ้าอย่างนี้เป็นปรามัฏศีลศีลที่มีทิฏฐิลูกคลำศีลอย่างเดียวบริสุทธิ์ได้ไหมนะถ้าหากว่าศีลไม่ได้เกิดร่วมกับอริยมรรคมีองค์แปดนะไม่บริสุทธิ์หรอก ต้องศีลที่ประกอบกับอริยมรรคมีองค์แจริงๆจะบริสุทธิ์แต่เขาเข้าใจว่าไอการถือวัดปฏิบัติบางอย่างที่เป็นกุศลอยู่หรอแต่ถือว่าบริสุทธิ์เพราะทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอทิฏฐินั้นอาศัยก็เลยเป็นทิฏฐิปราหม裟เนี่ยนะคือเขาบอกว่าศีลที่เป็นปรามาตรที่ที่ถือคลําหรือรูปคลําเนี่ยนะก็เพราะว่าศีล น, นี้ของบุคคล น, นั้นให้ถึงความเสื่อม ถามว่าทำไมจึงเสื่อมเพราะการกระทำไม่ให้เป็นอุปนิสัยแห่งมัจคือเขาไม่รู้จักอริยมรรตตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้จักอริยมรรตตามความเป็นจริงก็ไม่ได้รักษากุศลศีลนอนั้นเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรตทีนี้ดูนะอภา r มาาัต t i s i n ก็บอกว่าศีลที่เป็นสัมภาระแห่งมัจของปุถุชนก็คือ ปุตุชนประเภทผู้เป็นกาลยานชนและศีลที่สัมปยุตกับมัคของพระเเขาทั้งหลายชื่อว่าอป布拉มัถศีลคือศีลที่ไม่ถูกตัณหาและที่ถีรูปคลัมปุตตชนนี่มีกี่อย่างปุตุชนนี่มีสองอย่างคําว่าปุตตชนนี่แปลว่าอะไรเนะี่ยโอ้ใครว่าต้องแงน่าดูหน้ า, าศาสดายแงั้นต้องแงน้าดูหน้ า, าศาสดาบ่อยๆอ่ะเรียกว่าปุตุชน ปุตุชนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สองอย่างคืออันท่าปุตุชนกับกลัลยาณนะปุตุชนอันท่านี้แปลว่านะอันตะภูโตเนี่ยโอ้ยมืดบอดสนิทเลยถ้าหากว่าปุตุชนผู้บอดก็คือปุตุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้พบพระรียเจ้าไม่ฉลาดในธรรมวินัยของพระเรียเจ้าไม่ศึกษาในธรรมวินัยของพระอารียเจ้า ไม่มีวินัยของพระเรียเจ้านั่นแหละชื่อว่าอันทปุตุชนเพราะปุถุนี่แปลว่าหนาชนผู้ยังกิเลสหนาให้เกิดโอยชนที่ยังเกิดอีกมากเกิดอีกบ่อยเกิดอีกนานน่ะนะลักษณะนี้แหละเรียกว่าปุตุชนส่วนปุตุชนที่เป็นกัลยาณนะปุตุชนก็คือปุตุชนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธานะมีความรู้ในขันธาตุอายตนะสติปัฏฐานเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่ากัลยาณปุตุชน เพราะฉะนั้นศีลของกัลยาณปุตุชนที่เป็นเหตุแห่งมรรคศีลอันนั้นชื่อว่าอะปรามัศีล น, นะศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกคลมจับต้องนะถ้าเรารักษาศีลเพื่ออริยมรรคเนี่ยศีลอันนี้ไม่ตัณหาและทิฏฐิไม่ไม่จับต้องอริยมรรคนี้เป็นชื่อของธรรมะคือองแปดเกิดร่วมกับอะไรอริยมรรคนี้เกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับจิตนะ สัมปะยุทธ์กับจิตเออรักษาจิตเพื่อจิตนะจะคิดไปรักษาเจตสิกธรรมดาธรรมดาเพื่อเจตสิกยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะรักษาความคิดเพื่อความคิดแจะคิดอีกพูดแบบสับไทยๆเราหน่อยนะออรักษาความคิดเพื่อความคิดรักษาความคิดธรรมดาธรรมดาเพื่อความคิดที่ยิ่งใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่เฉยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นฌานถ้าหากว่าไม่มีประมาณเรียกว่าโลกุตระอย่างเช่น ปริตตาธรรมมามัชฌีมาธรรมมาแล้วก็ปณีตาธรรมมาหรืออปปมานาธรรมมาเนี่ยถ้าหากว่าอปปมานาธรรมมาเนี่ยเป็นโลกุตระธรรมมันรักษาศีลเพื่ออริยมรรคยังไงชื่อว่าอปรามาทศีลหรือว่าศีลของพระเสขขาดังหลายนยะพระเสขขาดับตั้งแต่โสดาปฏิมรักโซดาปฏิพนสกาธาคามีมรักสกาธาคามีผลอนาคามีมรักและอนาคามีผลและ อรหัตตมรรคชื่อว่าเสขาศีลศีลของพระเสขาแบบนี้ชื่อว่าอัปรามัทศีลเอาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะอัปรามัทเนี่ยนะเน้นศีลที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนะอริยผลไม่เอาส่วนศีลที่สัมปยุทธกับผลของพระเสขะและของพระเสขาทั้งหลายชื่อว่าปฏิปสัสสติศีลศีลที่สัมปยุทธกับโสดาปฏิพนสากธ า, าคามีผลอนาคามีผลและ อรหัตผลชื่อว่าปฏิปสัสสติสีลส่วนศีลที่เกิดร่วมกับโซโดาปฏิมักสกาธาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักนี้ชื่อว่าอะปรามัถศีลศีลที่เกิดร่วมกับอริยมักเป็นอะปรามัถศีลศีลที่เกิดร่วมกับอริยผลเป็นปฏิปสัสสติสีลอันนี้เอาถ้าของพระริยนะนีถ้าของปุตุชนก็คือศีลที่เป็นไปเพื่ออริยมัต เห็นไหศีลท <S. S 2> um ี่เป็นส <pers> ัมภาระแห่งมรรคของปุถุชนผู Walmart ้เป็นกาลยาณชนชื่อว่าอปปรามัทธศีลศีลที่สัมพยุตกับมรรคของพระเสขาทั้งหลายชื่อว่าอปปรามัทธศีลแล้วต้องแบ่งเป็นสองในส่วนศีลที่สัมพยุตกับผลของพระเสขาและพระเสขาชื่อว่าปฏิปัสสทิศีลอนิสระณะนิพานไม่ใช่ศีล นิพพานไม่ใช่ศีลนิสารณะเป็นชื่อของนิพพานนิพพานไม่ใช่ศีลนิพพานเป็นอารมณ์ของศีลที่เป็นโลกุตระนิพพานนี้เป็นในฐานอารัมมณปัจจัยนะเพราะนิพพานนี้เป็นอารัมมนณะเนี่ยถามว่าที่เรียกศีลในอริยผลเนี่ยนะที่เป็นปฏิปสัสสติศีลเนี่ยเพราะระ ง, งับคือ สงบความกระสับกระส่ายคือกิเลสนั้นนั้นนะนะถ้าเสนระดับโสดาปฏิพลดกระงับกิเลสระดับโสดาปฏิพนั่นแหละระดับกิเลสของพระโสดาบันเป็นต้นไปอ่าภาระปุถุชนนะภาร ะ, ะกับอัน t ะอันเดียวกันภาระแปลว่าเขานะภาระนี่แปลว่าเขาหรือแป ล, ว, ป ล, ปลว่าเอะแปลยังไงแปลว่าเขาง่ายดีฟังดูไม่หนัก